ธรรมเทศนาของพระสุทธิธรรมรังสีคำพีระเมธาจารย์วัดอโศการาม2503เรื่องจิตตะวิญญาณ ในการประกอบกิจการงานต่างๆวิริยะความเพียรและขันติความอดทนเป็นสิ่งที่พุทธบริษัททั้งหลายควรจะต้องปลูกฝังให้บังเกิดมีขึ้นในตนของตนอยู่เสมอเพราะสิ่งนี้ในสมัยก่อนก็ดีสมัยนี้ก็ดีบางคนเป็นผู้อ่อนการศึกษาบางท่านถึงกับอ่านหนังสือไม่ออกสักตัวเดียว ไม่ได้ศึกษาในทางปริยัติเลยเมื่อมามีความภาคเพียนปฏิบัติสามารถที่จะอ่านหนังสือไทยออกท่องหนังสือได้บางทีก็ถึงกับมีสิทธ์เข้าสอบตามกฎเกณฑ์ของโรงเรียนเขาก็ได้อย่างนี้ก็เคยปรากฏฉะนั้นจึงควรสำนึกในใจว่าสิ่งทั้งหลายหมดโลกนี้ย่อมสาเร็จมาได้จากความภาคเพียน ให้สำนึกอย่างนี้เราจะเป็นมนุษย์ประเภทไหนก็ตามจะเป็นผู้ฉลาดมากหรือเป็นผู้โง่ามากอ่อนการศึกษาอ่อนการสังคมก็ตามถ้ามีธรรมะข้อนี้ประจำจิตใจของตนอยู่ตราบใดบุคคลนั้นมีหวังถ้าบุคคลใดฉลาดก็ตามรู้มากตามตำระบแก่สังคมก็ตามแต่หาก ขาดความภาคเพียรอย่างเดียวไม่มีหวังที่จะให้สําเร็จลุล่วงไปในจุดหมายของตนไม่ว่าแต่ในส่วนทางธรรมแม้ในทางโลกก็เหมือนกันอันนี้พุทธบ ร, ริษัททั้งหลายผู้มุ่งต่อความสุขอันเลิศกล่าวคือพระนิพพานอันนี้แหละเป็นแม่เหล็กสําคัญให้ถือเป็นตัวที่หนึ่งตัวที่สองนั้นไม่สําคัญเท่าใดนัก แต่เป็นคู่มือกำกับถ้าตัวแรกมันเกิดขึ้นตัวที่สองมันก็พลอยเกิดคือได้แก่ขันติทั้งสองตัวนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นผู้มีความภาคเพียรขันติมันก็มีในตัวเพราะเหตุใดคนผู้มีความภาคเพียรต้องมีอันตรายมากีดขวางเป็นธรรมดา แต่ถ้าเพียรจริงๆสิ่งนั้นมันก็ดับทีนี้เพียรจริงๆมันสำเร็จมาจากความอดทนเหมือนกันถ้าไม่มีความอดความทนเพียรมันก็ไปไม่รอดถ้ามีความเพียรประจำจิตมันครอบไปถึงตัวขันติด้วยฉะนั้นคุณธรรมสองตัวนี้ให้ถือว่าความอดทนเป็นตัวที่สองความภาคเพียรเป็นตัวที่หนึ่ง เมื่อมีความเพียรประจําตนอยู่อย่างนี้เป็นนิดสิ่งที่เรามุ่งหวังนั้นจะอยู่ลึกอยู่ไกลสักเพียงใดก็ตามพระพุทธเจ้าของเราก็ได้ทรงพยากรณ์ล่วงหน้าว่าคนนั้นจะสมหวังของเขาได้ฉะนั้นจึงได้เปล่งพุทธภาษิตรับรองให้พวกเราเพื่อประกอบความเพียรอันนั้นว่าวิริเยนะดุกขมัรมเจติ บุคคลที่จะพ้นไปจากโลกบรรลุถึงพระนิพพานต้องอาศัยความเพียรเป็นรากเงา่าความเพียรจัดเป็นเครื่องดึงดูดผลักดันบุคคลผู้นั้นให้ก้าวไปสู่พระนิพพานนี่พระองค์ได้ทรงพยากรณ์ไว้ก่อนแต่มิจฉาทิฏฐิซึ่งเกิดขึ้นจากอำนาจกิเลสมันตอบโต้วาทะของพระพุทธองค์คือหมายความว่า ไม่เชื่อมันเชื่อตัวของมันเองเสียโดยมากไม่เชื่อคำรับรองของนักปราชญฉะนั้นมันจึงจะต้องล้มลุกคลุกคลานอยู่ในโลกนี้คืออาศัยเชื่อแต่ตัวของตัวเองตัวของตัวเองมันก็เป็นตัวกิเลสตัวกิเลสนี้แหละมันเป็นเครื่องกีดกันห้ามศรัทธาเรามิให้เกิดความเชื่อในวาทะที่พระองค์ทรงถ่ายไว้ ไม่ให้เราเชื่อในวาทะของพระองค์ที่ทรงถ่ายทักว่าบุคคลจะพ้นไปจากทุกข์ต้องสําเร็จมาจากความภาคเพียรเป็นแต่ได้ยินแต่มันไม่รู้เรื่องคือเชื่อตั้งแต่แค่หูความรู้ไม่ได้เข้าไปถึงดวงจิตฉะนั้นมันจึงแตกสามะคีกันตัวของตัวคนเดียวหนะมันแตกความสามะคีกันคือเมื่อเราได้ฟังแค่หู มันก็รู้ไปเสียอย่างหนึ่งแต่เมื่อมันตรึกตรองทางจิตใจมันก็รู้ไปเสียอีกอย่างหนึ่งไม่ค่อยจะตรงกันเมื่อเป็นเช่นนี้แหละจึงเกิดความลังเลสงสัยไม่แจ่มชัดในดวงจิตข้อปฏิบัติของเราจึงมีอาการรุ่มรุ่มดอนดอนผิดผิดถูกถูกจึงกลายเป็นไปโดยอาการเช่นนั้นอันนี้ก็คืออาศัยดวงจิตของบุคคลทั้งหลายนั้น ถ้าจะกล่าวโดยเฉพาะมันก็มีใจอันเดียวสำหรับคนคนหนึ่งแต่ทีนี้เรื่องราวของใจทำไมมันถึงมากนักอันนี้มันเป็นปัญหาซับซ้อนกันอยู่เพราะเหตุใดเพราะว่าถ้าเราดูเผินๆว่าตัวของคนคนหนึ่งก็มีจิตอันเดียวเราก็รู้กันแค่นี้แต่อีกนายหนึ่งท่านบอกว่าเรื่องของจิตวิญญาณ น, นี้ มันมากมายเหลือหลายไม่สามารถจะกณะนานับว่ามันมีอาการมากน้อยเพียงไรบางแห่งท่านก็แสดงไว้อย่างนี้เป็นเหตุให้คิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นไปได้อย่างไรแล้วก็มาหวนดูนอกแบบก็ได้ความว่าร่างกายของคนคนหนึ่งนั้นมันไม่ใช่วิญญาณตัวเดียวมันหลายวิญญาณ วิญญาณของตนจริงๆนั้นนะ่ะหาไม่ค่อยจะพบวิญญาณซึ่งมีอยู่ในตัวเรานี้แหละมันอาจจะมีตั้งสามวิญญาณโดยย่อมีสามวิญญาณหนึ่งวิญญาณของตัวเราจริงๆที่อุบัติมาบังเกิดในครั้งแรกซึ่งไม่มีวิญญาณอื่นมาเจือปนในครั้งปฏิสนธิวิญญาณมีวิญญาณดวงเดียวเท่านั้น มีมากเหมือนกันแต่ว่ามันตายเสียในเวลาจะมาเกิดนั้นมันนับไม่ถ้วนเหมือนกันนะวิญญาณแต่วาสนาบารมีบุญกรรมตกแต่งแย่งกันเกิดเกิดไม่ทันตายกลางทางเสียมากมายทีนี้เมื่อวิญญาณจริงๆของเรามาเกิดขึ้นเป็นบุญของเราที่ได้ตั้งตัวขึ้นเมื่อเรามาเกิดเป็นวิญญาณขึ้นอย่างนี้ มันก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นรูปร่างลักษณะก็แก่มันก็เริ่มมีวิญญาณอื่นมาแทรกเข้ามาแทรกซึ่งเราไม่รู้สึกตัวมาดูกันให้มันชัดเจนเวลาเราเติบโตขึ้นมาตัวอย่างเช่นบางทีมีตัวสัตว์ออกมาจากท้องตัวยาวตั้งศอกนี่มันอะไรกันนั่นนะ่ะนั่นแหละมันตัววิญญาณนั่นเอง ไม่ใช่ตัวอื่นนี่เห็นชัดชัดหรือนอกจากนั้นที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคอย่างโรคบางชนิดมันเป็นตัวทีเดียวเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างนอนเขาบอกว่ามีถึงแปดคลอกมีสิบสองจำพวกซึ่งมีอยู่ในสรีระร่างกายของเรานี่ลองคิดดูซิว่ามันเป็นตัวอะไรมันก็คือตัววิญญาณ นั่นเองแหละมันถึงเป็นได้อย่างนั้นเมื่อวิญญาณไม่มีมันจะมีตัวสัตว์ขึ้นมาได้อย่างไรตัวสัตว์มันเกิดขึ้นจากตัววิญญาณต่อ น, นั้นเราก็เห็นชัดเจนบางทีมันก็ไต่ออกมาตามบาดแผลเยอะแยะในสรีระร่างกายของเราออกมาตามตาตามหูตามจมูกตามฟันบางที ก็ออกมาจากลำไส้นั้นหนะักบางทีก็ออกปากบางคราวก็ออกทวานหนะักเป็นตัวยุ่งไปหมดนี่มันตัวอะไรกันนี่แหละคือตัววิญญาณวิญญาณอันนี้เห็นชัดแต่วิญญาณอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นของลึกลับยังไม่มีรูปปรากฏให้เห็นได้ชัดนอกจากผู้ปฏิบัติทำจิตใจของตนให้เกิดวิชา นั่นวิญญาณซึ่งมาแอบอาศัยอยู่ในสรีระร่างกายของเรายังมีอีกพวกหนึ่งวิญญาณของเราจริงๆนั่นอีกชนิดหนึ่งมีตัวเดียวเท่านั้นวิญญาณที่มาแอบอยู่ในร่างกายของเราอันนี้ก็บอกไม่ถูกว่ามากน้อยเพียงไรบอกไม่ได้วิญญาณที่มีรูปปรากฏเป็นตัวเป็นตนมันก็มากวิญญาณที่ยังไม่มีรูปปรากฏ แต่มาอาศัยรูปของเราก็บอกไม่ถูกว่ามันมากน้อยเพียงไรนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ก็รวมเรียกว่าจิตวิญญาณ น, นั่นนะ่ะมันมีอยู่สามจำพวกเมื่อเรื่องรามันมากอย่างนี้ท่านจึงสอนว่าอย่าไปเข้ากับตัวมันละ่ะมันไม่ใช่ตัวของเรามันไม่ใช่เรื่องของเราบางทีจิตของเรามันไม่มีอะไรเลย แต่มันจะเป็นไปใจก็ไม่อยากเป็นแต่เรื่องมันจะเป็นไปนั่นแหละวิญญาณบ้าบอาๆบานั่นแหละมันเข้ามา แ, แมามทรกแซงมาซึมซาบถึงกับวิญญาณของเราเราก็เป็นไปตามมันสัตว์บางพวกมันมาแอบอยู่ในร่างกายของเรามันยังไม่มีรูปปรากฏสัตว์พวกนี้มันก็โกรธเป็นเหมือนกันโลคเป็นเหมือนกันหลงเป็นเหมือนกัน เกลียดเป็นเหมือนกันรักเป็นเหมือนกันเมื่อมันเกิดขึ้นของมันบางทีมันอยู่ใกล้เราตัววิญญาณของเราก็คล้อยเป็นไปกับมันด้วยโดยไม่รู้สึกตัวนี่เรื่องจิตมันถึงได้มากมายมันเป็นได้ก็ลองคิดกันตื้นๆว่าสมมติว่าลูกของเรากับลูกของเรามันนั่งทะเลาะกันอยู่ต่อหน้ามันก็พลอยจะทำใจของเรานั้น ให้ใจเราเสียไปด้วยซึ่งเราไม่ได้ทะเลาะกับมันเลยมันก็เนื่องถึงกันในที่สุดก็พลอยบาดหมางไปกับเขาด้วยนี่ท่านจึงว่ายังเวเซวติตาดิโซเมื่อไปอยู่ใกล้กับบุคคลชนิดไหนเราย่อมเป็นไปด้วยบุคคลชนิดนั้นนี่ท่านก็ทรงตรัสไว้แล้วว่าเป็นจริงอย่างนั้นฉะนั้นท่านจึงให้พินิษฐพิเคราะห์ว่า ใจของเรามันหลายหลายใจนะ่ะมันอาจเป็นใจของสัตว์มันไม่ใช่ใจของเราเป็นเขาเป็นแต่เรามันอยู่ใกล้เขาก็พลอยจะโอนเอียงไปกับเขาเหตุนี้ท่านจึงสอนว่ามันเป็นอนัตตาวิญญาณมันเป็นอนัตตาอย่าไปยุ่งกับมันต้องอาศัยความภาคเพียรอดทนข่มมันไว้ถ้ามันหายไปเมื่อไรใจก็สบาย เบิกบานขึ้นก็มันไม่ใช่เรื่องของเรานี่มันเรื่องของเขาต่างหากถ้ามันเรื่องของเราเวลามันเป็นเราก็ควรจะเบิกบานพอใจหายแล้วก็ควรจะเบิกบานพอใจบางสิ่งบางอย่างเวลามันเกิดขึ้นในจิตนั้นนะ่ะมันก็ยินดีไปด้วยบางคราวบางคราวเปล่าไม่ยินดีมันแย่งกันอยู่อย่างนี้แหละบางทีวิญญาณอื่น มันหลายตัวมันหลายความคิดมันมากกว่าเราเราก็พล่อยเป็นไปกับมันเมื่อเป็นไปกับมันเราก็พลาดเมื่อพลาดกระทําผิดลงไปทีนี้มันก็มาเกิดความเสียใจขึ้นทีหลังนั่นเราทําไปตามเขานะไม่ใช่เราทําไปตามใจเรานี่ให้สำเนียงรู้อย่างนี้จึงเรียกได้ว่าเรารู้เรื่องของวิญญาณท่านกล่าวสั้นๆ ตัดใจความไว้อย่างที่เราฟังกันยากวิญญาณมันไม่ใช่ตัวของเรานะท่านพูดแค่นี้ฟังไม่ออกเลยมันจะออกอย่างไรละ่ะใจไม่ตั้งเป็นสมาธิก็ฟังกลุ่มกันไปก็นึกได้แต่ว่าวิญญาณก็มีแต่ใจของเรานึกได้แค่นี้แหละทีนี้มันก็เข้ากับตัวละสิอันนั้นมันก็เป็นเราอันนี้มันก็เป็นเรา มันก็เข้ากับตัวละสิมันจึงไม่รู้เรื่องวิญญาณนี่เมื่อเรารู้จักวิจารพิจารณาดูอย่างนี้ว่าวิญญาณของเราจริงๆเป็นอย่างไรมันซื่อสัตย์สุจริตต่อเราจริงๆนนะมีไหมถ้าหากว่าเราชอบอย่างนี้มันถูกมันดีแล้วเราก็ทำตามความคิดเห็นจนสำเร็จนั่นแหละเรียกว่าเชื่อตนทีนี้เราทาอย่างนี้ แต่เราก็ไม่ค่อยชอบใจอยากจะทำบ้างไม่อยากจะทำบ้างนี่มันแบ่งส่วนเช่นนี้ก็พึงทราบว่าเราไปเสพคนผ่านเข้าไปแล้วแหละไปเสพวิญญาณบางอย่างซึ่งมาชักชวนเอาเสียแล้วตอนนี้เราต้องอดทนต้องอดกลั้นต้องกักต้องขังความรู้อ น, นั้นให้อยู่คงที่คือตั้งสติกาหนดวิจารณ์ดูว่าวิญญาณตัวนี้แหละ มันเป็นตัวไหนแน่มันเป็นตัววิญญาณของเราจริงๆหรือหรือเป็นวิญญาณอื่นเข้ามาแทรกทําให้วิญญาณของเราล้มไปตามเมื่อล้มไปตามทากรรมที่ผิดล่วงแล้วเสียใจอันนี้เรียกว่าถูกวิญญาณหลอกที่ท่านบอกว่าวิญญาณมันไม่ใช่ตัวของเรามันเป็นอนัตตาท่านพูดอย่างนี้แต่เราฟังไม่ออกนี่ วิญญาณอันหนึ่งคือจำพวกวิญญาณของเราจริงๆวิญญาณของเราจริงๆมันซื่อสัตย์ต่อเราสมมุติอย่างนี้ว่าพรุ่งนี้เราจะไปวัดหรือไปฟังเทศนี่ไปวัดไปฟังเทศทำความดีมันเป็นความดีที่เราชอบใจให้ผลแก่เราจริงแน่ชัดในใจแต่พรุ่งนี้มันแปรไปเสียแล้วละ่ะคือมันแปรไปก็พึงทราบเสียเถิดว่า วิญญาณของเรามันไปเจือกับวิญญาณอะไรเข้าเสียแล้วต้องสำเนียกอย่างนี้อย่าไปนึกว่าเป็นตัวเราจริงๆไอ้ความคิดใหม่จะมาเลิกความคิดดีนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันโกงต่อตัวของตัวเองมันไม่ใช่เราละ่ะธรรมดาตัวของเราเองนะ่ะมันไม่โกงตัวเองหรอกมันซื่อสัตย์เมื่อมันตั้งจิตในจุดอะไรที่เป็นความดีมันต้องทาให้สาเร็จ ได้ผลความดีเกิดขึ้นเบิกบานใจนั่นลักษณะอย่างนี้เป็นจิตวิญญาณของเราจริงๆซื่อสัตว์ต่อตัวของเราได้จริงไม่โกงโดยมากคนเรานะี่ยมันโกงเสียโดยมากไม่ใช่ตัวโกงนะตัวมันดีแต่มันมีวิญญาณอื่นมาแทรกซึมมันเลยพาเรากงไปด้วยนั่นท่านจึงบอกว่าอาเสวนาจะบาลานังถ้าใครไปเสพ กับวิญญาณนั้นบ่อยๆคนนั้นเสียปันฑิตานันจะให้ทำจิตของตนคงที่อย่างเราคิดจะสร้างความดีให้มันดีเรื่อยจนได้ทำความดีให้สำเร็จตามความมุ่งหมายนั่นแหละเป็นตัวเราวิญญาณอื่นไม่เข้ามาแตะต้องถ้าหากว่ามีความคิดล้มเลิกท้อถอยปล่อยความภาคเพียนนั่นพึงทราบเถิดเราไปเสพคนผ่าน ไปเสพวิญญาณอื่นนอกไปจากตนเสียแล้วแหละให้เข้าใจอย่างนี้นี่จำพวกหนึ่งแต่ถ้าจะพันานาถึงเรื่องวิญญาณที่อาศัยอยู่ในร่างกายเรามันมากวิญญาณที่อาศัยอยู่มีอยู่สองลักษณะบางวิญญาณมันตรงกับเราบางวิญญาณมันไม่ตรงกับเราอย่างเราอยากทำความดีเปรตผีบางจำพวก มันก็อยากสร้างความดีแต่มันสร้างไม่เป็นมันเลยมาอาศัยร่างกายของเราพาทําความดีอย่างนี้ก็มีวิญญาณบางอย่างมันมาก็เพื่อจะเป็นผู้มาสังหารล้างผรานความดีของเรานั่นคืออาจจะเป็นศัตรูของเราแต่ชาติก่อนเราเคยเบียดเบียนเขาเราเคยสังหารเขาเราเคยกักกันเขาเราเคยตัดความดีของเขา เขาพยาบาทเรามาพยายามคอยห้ามมักข้อปฏิบัติของเราไม่ให้เจริญก้าวหน้ามันจะมากระซิบกระซาบว่าหยุดเถอะหยุดเถอะมันจะตายหรือมันจะยากมันจะจนฝนมันจะตกแดดมันจะร้อนมันเช้าเกินไปมันสายเกินไปมันก็ว่าเรื่อยไปแหละนี่วิญญาณบางพวกซึ่งเป็นศัตรูแกเรามันไม่ตรงกับเราก็มีบางวิญญาณ ก็เป็นญาติเป็นมิตรเป็นเพื่อนเป็นคนรักใคร่นับถือจะมาทำบุญทากุศลก็ทำไม่ได้ก็มาอาศัยอยู่ในร่างกายของเราเพื่อจะได้ไหว้พระสวดมนต์บน่นคาถากับเขาบ้างอย่างนี้ก็มีฉะนั้นจิตของเรานนะบางคราวก็เหมือนกับผียักษ์มันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้ทั้งๆ ท, ที่เราไม่ชอบมันก็เป็น บางคราวก็เหมือนกับเทวบุตรเทวดาใจดีเขาด่าโคตรแม่ก็ไม่โกรธบางคราวคำพูดไม่น่ากโกรธโกรธน่าเกลียดจนได้เรื่องวิญญาณมันเป็นอย่างนี้สัพ์สนปนเปกันอย่างมากมันมีมาแทรกในร่างกายของเราให้พึงทราบโดยอาการอย่างนี้วิญญาณอีกจําพวกหนึ่งมันก็เป็นเจ้ากรรมเจ้าเวรมันมากินเนื้อของเรา ให้แหว่งไปบ้างกินจมูกขาดไปบ้างทำลายรูปโฉมให้เสียรูปร่างกินหูขาดไปบ้างบางทีกินริมฝีปากข้างล่างเหลือไว้แต่ฟันให้อับอายขายหน้าบางทีก็กัดหูไปข้างหนึ่งบางทีก็กัดจมูกโง่ไปถึงหน้าผากบางทีก็กัดตาบางทีก็กัดมือกัดตีนบางทีกัดไปทุกแห่งทุกหนนั่นแหละ ทำให้เปื่อยพังเป็นเชื้อโรคนี่พวกเจ้ากรรมเจ้าเวงเหล่านี้แหละแต่ก่อนเราก็คงจะทำกับเขาไว้ในชาตินี้มันจึงตามมาเล่นงานเราซึ่งเป็นตัววิญญาณชัดๆคือตัวหนอนเป็นต้นตัวหนอนมันก็มาช่วยกินอาหารในไส้เราแต่ก่อนเราก็คงจะไปแย่งกินเนื้อเขาบ้างกินหนังเขาบ้างบัดนี้มันก็มา กินเนื้อกินหนังเรากินกินหมดมึงมีอะไรกูกินให้หมดนี่เราจะรักษายังไงมันมากินข้างนอกให้แลเห็นไล่ให้มันหนีพาไปกินในกระเพาะพาไปกินในลำไส้พาไปอยู่ถึงข้างในตัวเราเอาละสิทีนี้มันแย่มองไม่เห็นกําจัดได้ยากนี่มันก็เล่นงานเราเรื่อยไปกินกินเข้าไป กินไปตามลำไส้กินไปตามกระเพาะกินไตกินตับกินปอดกินไปตามเลือดกินเส้นโลหิตกินขนกินไปจนหมดทุกอย่างทุกอันกินข้างนอกกลายเป็นโรคผิวหนังกินข้างในก็เป็นตัวหนอนเป็นตัวโรคก็เล่นงานเราอยู่เรื่อยไปมันเองมันก็รบกันมันหลายจำพวกนี่นอนมีตั้งร้อยแปดจพวก อย่างพิสดารเมื่อมันอยู่มากมากมันก็ย่อมทะเลาะกันเป็นธรรมดามันก็ยุ่งกันอยู่ในบ้านของเรานั่นแหละเราจะทนไหวที่ไหนเล่าบางคราวก็เป็นไปกับมันไม่รู้ตัวเป็นไปได้เพราะอะไรพวกมันมากเหลือเกินมันทนไม่ไหวพวกสัตว์ในร่างกายบางทีมันก็โกรธกันตีกันมันทะเลาะกันเดินทางสวนกัน เจอกันเข้ามันก็ตีกันกัดกันทําให้เราคันหลังคันหน้ายิบยิบแยบแยบนั่นแหละพวกหนอนมันตีกันล่ะเดินไปในตัวของเราเหมือนกับพื้นแผ่นดินนี่แหละเส้นโลหิตมันเป็นถนนสัตว์มันก็เดินไปตามเส้นโลหิตตัวโน้นก็เดินมาตัวนี้ก็เดินมาเจอกันเข้าบางทีก็สนทนากันมันพูดกันละสิทีนี้ บางทีพูดกันไม่รู้จักหยุดนอนค้างคืนขี้ก็ตรงนั้นแหละกินก็ตรงนั้นแหละเอา้าเกิดเป็นตุ่มเป็นต่อมขึ้นมาแล้วนั่นแหละมันเป็นกระตอบสำหรับอาศัยของพวกตัวสัตว์ตัววิญญาณมันก็เป็นไปกันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปแหละร่างกายเรามันก็เหมือนกับโลกอย่างในโลกเรามีทะเลมีต้นไม้ภูเขาเถาวั มีพื้นแผ่นปฐพีร่างกายเราก็เหมือนกันเส้นโลหิตทุกเส้นมันเป็นทางเดินของสัตว์มันเดินตามเส้นโลหิตก็มีเดินตามเส้นลมเดินตามเส้นไฟเส้นบางเส้นเป็นเส้นตันไม่มีโพรงนั่นเปรียบเหมือนถนนตันเส้นที่มีโพรงลมมันเดินเลือดมันเดินก็เหมือนกับแม่น้าห้วยหนองคลองบึงทางเดินเรือเรือมันเดิน ก็มีพวกที่ไปเรือทีนี้เรือมันชนกันเข้ามันเป็นอย่างนี้เหตุนี้คนเราจึงเจ็บที่โน่นที่นี่ปวดแข้งปวดขาเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบีดไปเถิดนวดไปเถิดนี่เรื่องของวิญญาณที่มันมาอาศัยอยู่ในร่างกายของเราบางพวกมันก็อยู่ตามหลุมตาบางพวกก็อยู่ตามหลุมหูบางพวกก็อยู่ในรูจ ม, มูก บางพวกก็อยู่ในปากอยู่ในลำคอก็มีอยู่ตามเหงือกก็มีพวกเหล่านี้มันก็เหมือนกับคนเรานั่นแหละแต่เราฟังภาษากันไม่ออกมันทามาหากินมีอาชีพมีลูกมีเมียมีที่อยู่ที่อาศัยมีทางเดินสัญจรในร่างกายของเรายุ่งไปหมดนี่ตัววิญญาณซึ่งอยู่ในสังขารของเรามันเกิดสงครามกันก็ได้เหมือนกันเกิดรบ อย่างมดดำมดแดงมันรบกันนะ่ะเคยเห็นบางทียิ่งจกกับเขียดรบกันก็มีในร่างกายเราก็เหมือนกันหนีไปพ้นที่ไหนสัตว์อยู่ที่ตามันก็ถือว่าบ้านของมันสัตว์ที่อยู่หูมันก็ถือว่าบ้านของมันสัตว์ที่อยู่ตามเส้นมันก็ถือว่าบ้านของมันบางทีก็ไปแทรกแซงแย่งที่อยู่กันเกิดเรื่องเกิดราวนี่ เวทนามันเกิดจากพวกวิญญาณก็มีนี่มันถึงได้เป็นไปโดยอาการต่างๆบางชนิดมันเกิดโรคเกิดภัยบางชนิดมันคอยเกิดวิญญาณที่ยังไม่มีรูปมันก็คอยอาศัยเลือดของเราในร่างกายตั้งขึ้นเป็นต่อมเช่นฝีบ้างแผลบ้างกลายเป็นตัวหนอนขึ้นมาในที่นั้นนี่มันได้รูปปรากฏก็เห็นตัวถ้ายังไม่ปรากฏ มันก็ไปเที่ยวเสียวๆวิๆแบวบๆยิบยบิบยับยับคันหน้าคันตานี่เป็นเรื่องของวิญญาณทั้งนั้นเหตุนั้นสรุปแล้วก็มีอยู่สามพวกสามฝูงฝูงใหญ่ๆทั้งนั้นแหละฝูงหนึ่งก็คือพวกสัตว์ซึ่งมีรูปอาศัยในร่างกายของเราพวกหนึ่งวิญญาณซึ่งยังไม่มีรูปอาศัยแต่อาศัยร่างกายของเราอย่างหนึ่ง อีกอันหนึ่งคือจิตวิญญาณของเราจริงๆมันถึงมีสามพวกสามจำพวกนี่น่ะมันคลุกกันหมดอะไรมันเป็นวิญญาณของสัตว์ที่มีรูปไม่รู้อะไรมันเป็นวิญญาณของสัตว์ยังไม่ได้ตั้งรูปปรากฏไม่ทราบอันใดที่เป็นตัวจิตวิญญาณของเราจริงๆก็ไม่รู้นี่จะไปรู้ขันห้าได้อย่างไรกันวิญญาณขั้นโทนะ จะไปรู้ได้อย่างไรที่ว่าวิญญาณไม่ใช่ตัวตนไปรู้แต่วิญญาณวิญญาณเท่านั้นมันรู้อย่างเชื่อที่มันย่อนหย่อนยานยานมันลากดินนี่คําที่ว่ารู้วิญญาณที่เรียกเป็นอนัตตาก็เหมือนกันรู้ตามเขาว่านี่เมื่อเรามีปัญญามีปัญญาญาณเกิดขึ้นในจิตจึงจะรู้เรื่องของวิญญาณที่ท่านกล่าวว่าธาตุสิบปอินทรีย์ยี่สิบสอง อย่างที่ท่านแสดงว่าจักขุธาตุรูปะธาตุจักขุวิญญาณธาตุนี่ที่จะรู้ได้ถึงอาการสามอย่างนี้ต้องอาศัยความรู้อย่างว่านี้อย่างที่รู้จักว่าจักขุธาตุตาของเรามันมีวิญญาณกี่ชนิดมันมีวิญญาณกี่ชนิดตาเราเมื่อมันไปเห็นรูปปรากฏรูปที่ปรากฏนั้นที่มันมีความรู้ขึ้นนะ่ะ มันเป็นความรู้ของเราจริงๆหรือหรือเป็นความรู้ของวิญญาณที่มาแทรกซึ่งยังไม่มีรูปปรากฏหรือเป็นวิญญาณที่มีรูปปรากฏมาแทรกมันจึงทําจิตของเราให้ลังเลเรรวนไม่ค่อยจะแน่นอนนี่วิญญาณที่เกิดในตาสามจำพวกจําพวกที่มันไปเห็นรูปมันแสดงท่าทีกี่ชนิดนี่ที่แสดงท่าทีนะ่ะมันเป็นวิญญาณของเราจริงๆหรือ หรือเป็นวิญญาณของสัตว์บางจําพวกหรือเป็นวิญญาณของสัตว์ไม่มีรูปปรากฏไม่รู้ไม่รู้เรื่องเมื่อไม่รู้เรื่องอย่างนี้ที่เรียกว่าจักกุทาตุรูปะทาตุจักกุวิญญาณะทาตุรู้ได้ที่ไหนไม่ได้ไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาไม่มีญาณโสตธาตุหูของเราซึ่งเป็นบ่อเกิดของวิญญาณวิญญาณตัวไหนมันมาเกิดก่อน รู้ไหมไม่รู้วิญญาณของเราจริงๆหรือที่มันออกมาหูนั่นได้ยินเสียงนั่นนะ่ะมันเป็นสัตว์มาแอบอิงอาศัยฟังหรือหรือเป็นสัตว์ที่ไม่มีรูปหรือเป็นวิญญาณของเราจริงๆตรวจดูให้มีความรู้เสียก่อนผลที่มันเกิดขึ้นพึ่งทราบเถิดว่าเมื่อเราได้ยินเสียงเราชอบใจแต่เสียงนั้นไม่ดีแต่ชอบใจนี่มันไม่ใช่วิญญาณของเรา มันไม่ซื่อสัตย์ต่อเรานี่เสียงบางอย่างมันเป็นสิ่งที่ดีที่ชอบแต่เราไม่พอใจนั่นก็พึงถือว่ามันไม่ใช่วิญญาณของเรามันคงจะมีอะไรมาแอบแฝงต้องสำรวจดูนี่มันมีหลายจำพวกบางทีเราไม่พอใจเสียงแต่มันเป็นเรื่องที่ถูกที่จริงแต่เราไม่พอใจนี่เราก็เลยถือว่าเรื่องพอใจหรือไม่พอใจ เป็นเราไปเสียหมดไม่เคยคิดว่าวิญญาณเป็นอนัตตาไม่เคยคิดเมื่อเป็นอย่างนี้ทีนี้หูมันก็หนวกตัวไม่ได้ฟังพวกเปรตมาแอบอาศัยฟังไม่รู้มันจะจำได้ที่ไหนจิตมันไม่ได้ติดตัวมันไม่ได้ฟังเปรตมันมาฟังผีมันมาฟังอสุรกายมาแทรกตัวเราเองก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจตัวเราจริงๆไม่ได้ฟัง ไม่ได้วิตกวิจาร์ได้แต่พวกฝูงมานผีเปรตหรืออสุรกายมาแอบแฝงเลยถือว่าเป็นตัวเราไปเสียหมดจึงเรียกว่าตามืดเป็นอวิชชาหูก็ตึงเป็นอวิชชานี่คือไม่รู้จักเรื่องของวิญญาณจักขุทาตุรูปะทาตุจักขุวิญญาณะทาตุนี่มีอยู่สามอย่างเมื่อตามันเห็นรูปปั๊บวิญญาณอะไร มันออกไปเคยตรวจไหมเปล่าไม่เคยตรวจเลยไม่รู้ว่าเป็นวิญญาณของเราจริงหรือไม่จริงเป็นวิญญาณของพวกสัตว์มาอาศัยแอบจริงหรือไม่จริงวิญญาณของสัตว์ที่มีรูปหรือไม่มีรูปมีหรือเปล่าจริงหรือไม่จริงไม่เคยรู้เลยก็ไม่เคยรู้เลยอย่างนี้จะเป็นผู้รู้ได้อย่างไรโสตธาตุสัตตธาตุ สตะวิญญาณธาทาตุไม่รู้นี่ไล่เรื่อยไปแหละคานาทาตุก็เหมือนกันคานาทาตุคือจมูกเป็นบ่อเกิดของกลิ่นเป็นบ่อเกิดของจิตวิญญาณวิญญาณของเรานะบางทีมันชอบกลิ่นอย่างนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามทางธรรมมันก็แสวงหากลิ่นนั้นให้สำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นบางคราวก็ล้มเป็นแต่ชอบ แต่มันล้มความคิดไม่ทำตามความคิดของตัวบางคราวมันก็ไม่ชอบตัวอย่างเช่นกลิ่นบางอย่างมันไม่ชอบแต่มันก็ทำเอากลิ่นบางอย่างมันชอบแต่มันไม่เอาบางสิ่งบางอย่างกลิ่นมันชอบจิตของเราก็ชอบถูกต้องเรื่องของกลิ่นมันก็มีอยู่กลิ่นมันเกิดจากจมูกวิญญาณมันก็เกิดจากจมูกเหมือนกัน มันอาศัยจมูกของเราไม่รู้กี่ร้อยวิญญาณบางทีมันรู้ก่อนเราอีกมันส่งข่าวให้เราหลงไปเลยก็มีประซิบกระซาบปลุกปลอบดวงจิตของเราให้หลงไปตามเราก็หลับตาไปตามมันเหมือนหมีกินพึ่งหลับตาแล้วก็กินไปเถิดโดดกินแต่น้ำพึ่งลืมตาก็ไม่ได้พึ่งมันจะต่อยเอากระบอกตาเราก็เหมือนกัน เมื่อวิญญาณมันมากระซิบกระซาบว่าไปเถิดไปกับมันว่าแต่ตัวเราเป็นว่าแต่ตัวเราไปมันเอาตัวอะไรมาเข้าแทรกแล้วก็ดึงไปเหมือนกับคนทรงเจ้าทรงผีนั่นแหละมันก็ว่าไปตามเรื่องของมันมันเป็นอย่างนี้แหละชิวห้าทาตุลิ้นเป็นบ่อเกิดของรถรถมันมาสัมผัสในลิ้นเกิดความรู้สึกขึ้นเรียกว่าวิญญาณ วิญญาณที่มันเกิดขึ้นนะ่ะวิญญาณอะไรมันเกิดก่อนวิญญาณของสัตว์มันอยู่ตามเกสรของลิ้นเราก็มีมันอาจจะรู้ดีกว่าเราก็ได้ตัวอย่างเช่นอย่างนี้กินไม่ได้แต่มันอยากกินไอ้ที่มันอยากกินนั่นนะ่ะเพราะอะไรบางทีเราไม่อยากแต่วิญญาณของสัตว์มันอยากเขินกินเข้าไปเกิดโรคทั้งทั้งที่เรารู้อยู่ แต่มันก็อยากกินนี่เรียกว่าหลงรถหลงวิญญาณวิญญาณมันมีอยู่สามชนิดดังกล่าวแล้วมันเป็นวิญญาณของเราหรือเปล่าไม่เคยสำรวจหรือมันเป็นวิญญาณของพวกที่ยังไม่มีรูปหรือเป็นวิญญาณที่มีรูปตั้งอยู่ปรากฏขึ้นที่ในปากของเราไม่ทราบเมื่อไม่ทราบอย่างนี้คนเรามันถึงพูดกันป น, นปปี้พวกผีเหล่านี้ มันพาพูดพูดกันให้เราซัดให้เราแสตัวเจ้าของจริงๆมันไม่อยากพูดแต่มันก็พูดนั่นแหละเราไปเสพคนผ่านวิญญาณอสุรกายไม่ทราบจนเรานั้นเสียไปแล้วถึงทราบภายหลังอย่างนี้มันถึงเสียท่าจึงเรียกว่าไม่รู้จักวิญญาณในขันห้าแล้วก็สวด วิญญาณังอนัตตาอนัตตาต า, า, ต, า, ต, าตากันเรื่อยไปแต่ไม่รู้อะไรเลยนี่เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงเรียกว่าอาวิชชาทีนี้ในส่วนกายของเราก็เหมือนกันกายเราเป็นบ่อเกิดของผัสสะผัสสะมากระทบกายเข้ามันรู้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเย็นร้อนอ่อนแข็งทราบความทราบในผัสสะทั้งหมดนั้นท่านเรียก วิญญาณมันเป็นวิญญาณของใครก็ไม่เคยสำรวจเลยถือว่าเราหนาวจริงๆบางทีก็เลยถือว่าเราร้อนจริงๆนี่บางทีมันไม่ใช่เราสักนิดเหมือนกับคนถูกผีสิงนะัะคนถูกผีสิงเป็นยังไงเหมือนคนไม่เคยกินเหล้าพอผีเข้าสินปับ๊บมันดื่มเหล้าสองสามแก้วกินอย่างสนุกสนานถ้าออกไปล่ะ คนที่ไม่เคยกินเหล้าเมาแย่เพราะอะไรเพราะมันมีวิญญาณอื่นเข้ามาสิงตัวจริงๆมันไม่เคยกินเหล้าแต่มันกินเวลาวิญญาณอื่นเข้ามาสิงดวงจิตของเราก็เหมือนกันนั่นแหละเมื่อวิญญาณพวกนี้มันกำเริบขึ้นถึงแม้เราไม่ต้องการมันก็ทำวิญญาณบางพวกมันชอบหนาววิญญาณบางพวกมันชอบร้อนคือสัตว์บางพวก อยู่ในโลกเหมือนกันบ า, กอ บ, อาก on, บางพวกชอบอากาศร้อนบางพวกชอบอากาศหนาวบางพวกชอบกินของแข็งบางพวกชอบกินของอ่อนอย่างตัวด้วงตัวบุ้งมันกินของแข็งสัตว์ในตัวเราก็เหมือนกันบางตัวกินกระดูกกินของแข็ง <characteristics> กัดเนื้อขาดเป็นชิ้นๆไปเลยบางพวกกินน้ําบางพวกชอบร้อนบางพวกชอบหนาวทีนี้ พอมันหนาวขึ้นมาเราก็ว่าหนาวจริงๆไม่เคยนึกว่าอะไรพาหนาวถ้ามันร้อนจริงๆอะไรพาร้อนก็ไม่ทราบเราก็ว่าแต่เราเป็นว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เรากลายไปเป็นผีกับเขาเมื่อไรไม่ทราบนี่ท่านจึงเรียกว่าไม่มีปัญญาความรู้ไปรู้ไปหลงวิญญาณไม่ถูกกับพุทธบัญญัติกล่าวว่าวิญญาณมันไม่ใช่ตัวของเรา ไม่ถูกเลยตัวเราจริงๆมันมีตัวหนึ่งมันไม่ยุ่งยากวุ่นวายอย่างนี้นี่ส่วนในใจของเรานะ่าก็เช่นเดียวกันถูกผีอะไรสิงมันก็เป็นไปได้ต่างๆธรรมารมณ์อารมณ์ที่นึกคิดในดวงจิตอารมณ์ที่เป็นเหตุให้คิดให้นึกมันเกิดจากเหตุมันอาจจะมีพวกวิญญาณอื่นเข้ามากระแทกกระเทือนความคิดของสัตว์ที่มีรูป คิดมาถึงตัวเราวิญญาณของสัตว์ที่ไม่มีรูปบางอย่างมีข้อผูกพันกับเราแล้วก็ทำให้จิตของเราเป็นไปด้วยนี่อันนี้ก็พึงทราบเติดว่าอ้อมันมีเรื่องแทรกเรื่องที่มาแทรกนั้นมันเป็นเรื่องอารมณ์ของคนอื่นเป็นอารมณ์ของสัตว์เป็นอารมณ์ของเทวดาเป็นอารมณ์ของพวก ว, วิญญาณที่เป็นอสุรกายเราก็ต้องอ่านให้มันทราบ เมื่อทราบได้เช่นนั้นดวงจิตของเรามันก็ไม่มีเรื่องมากจิตมันมีดวงเดียววิญญาณก็มีตัวเดียวไม่มากเมื่อหนึ่งมันก็ต้องหนึ่งทีนี้หนึ่งมันกลายเป็นสองเป็นสามไปเรื่อยถ่ายทอดกันไม่รู้จักจบนี่จึงเรียกว่าปิดทวารอวิชชาปิดตาไม่รู้จักวิญญาณที่สร้างบ้านอยู่ในลูกตาอวิชชาปิดหูพวก ว, วิญญาณสัต มาสร้างบ้านดูเต็มหูหมดอวิชชาปิดจมูกพวกวิญญาณของสัตว์มาสร้างบ้านดูในจมูกปิดลิ้นวิญญาณของสัตว์มาสร้างบ้านสร้างเมืองยูในลิ้นปิดกายวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายสร้างบ้านอยู่ทั่วไปทุกขุมขนส่วนวิญญาณของตนตัวเดียวเท่านั้นสู้เขาไม่ไหวเหตุนั้นความภาคเพียรของเราจึงย่อหยอ่อนเพราะไม่รู้เรื่องราวของเขาเหล่านี้ นี่คือว่ามันมาปิดหูตาจมูกลิ้นกายจิตมองไม่เห็นทิศเห็นแนวคุณธธรรมจึงไม่มาเกิดขึ้นเมื่อเรามาทำลายล้างผลาญบ้านช่องของอวิชชาเสียได้ทีนี้รู้เรื่องไม่ต้องทำอะไรหรอกอเนกชาติสร้างสร้างรังสั้นธาวิดสั้ง อ, อนิจบิดสร้างเมื่อเรา มาพิจารณาดูซึ่งเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ให้รู้แจ้งชัดเห็นจริงอเนกะจาติสร้างสร้างรังเรื่องราวของสัตว์ที่มาเกิดในบ้านของเราไม่มีที่สิ้นสุดมันมาทะเลาะวิวาดกันวุ่นวายไปหมดมันเรื่องมากมันชอบมาจูงจิตของเราให้เสียหายไปด้วยประการต่างๆเมื่อเรามาพิจารณาให้เห็นโดยอาการอย่างนี้ก็เกิดนิพพิธา ความเบื่อหน่ายจากขุ่สมิงปินิบินดติเบื่อตาเป็นนิพพิทายานเกิดขึ้นรูปเปสุปินิบินดติเบื่อรูปจากขุวิญญาเนปินิบินดติเบื่อวิญญาณมันรําคาญจริงๆมันเป็นสิ่งรบกวนหัวใจของเราจริงๆเบื่อหน่ายนิ บ, บินดังวิรัชตชติวิรากาวิมุตติข่ายทิ้งตาข่ายรูป ตาคายวิญญาณคายทิ้งเหลือกิน่นโซตัดมิ่งปินิ บ, บินดาติเบื่อหูสัตเดสุปินิ บ, บินดาติเบื่อเสียงทีนี้โซตะวิญญาเนปินิ บ, บินดาติเบื่อวิญญาณวิรากาวิมุตจติคายทิ้งตาคายรูปรูปไม่ติดตาตาทะลุมองเห็นด้วยตาหลายสิบยอดคายเสียงหูทะลุฟังเทวดา คุยกันได้จมูกคายกลิ่นหอมฟุ้งทั่วโลกความดีเมื่อมันคายแล้วก็หอมฟุ้งลิ้นคายรสไม่กลืนกินซึ่งรสคายวิญญาณกายคายสัมผัสความร้อนไม่ติดดวงจิตความเย็นไม่ติดดวงจิตอ่อนแข็งต่างๆในร่างกายไม่ติดไม่เสิบคายเรื่อยไปจนถึงมโนวิญญาณดวงจิต คลายความดีไม่ยึดถือทิฏฐิว่าเป็นของของตนดวงจิตคลายอากุศลคือความชั่วไม่ให้รั่วไหลไปอาบดวงจิตคลายความรู้ต่างๆว่านั่นเป็นวิญญาณของสัตว์ที่มีรูปนั่นเป็นวิญญาณของสัตว์ที่ไม่มีรูปนั่นเป็นวิญญาณของเราจริงๆคลายทิ้งทั้งหมดนั่นแหละเรียกว่าวิญญาณัสมิ่งปินิบินติเบื่อนายในวิญญาณ เบื่อนายในอารมณ์วิรากาวิมุตติคายทิ้งไม่กลืนเสลตไม่ให้มาติดคอตาไม่กลืนรูปหูไม่กลืนเสียงจมูกไม่กลืนกลิ่นลิ้นไม่กลืนรสกายไม่กลืนสัมผัสดวงจิตไม่กลืนกินอารมณ์วิมุตจจติพ้นไม่เกี่ยวข้องกังวลวุ่นวายนี่แหละเรียกว่าเป็นผู้ที่จะใกล้ต่อพระนิพพาน วิมุตตสมัมิงปิวิมุตตามิติยานังโคติขีนาจาติหุสิตังพระมาริยังเมื่อเราปฏิบัติได้เช่นนี้เราก็ทราบชัดว่าสิ่งนั้นเป็นวิญญาณของสัตว์สิ่งนั้นเป็นวิญญาณของเราปล่อยวางไม่ยึดถือแล้วก็รู้ได้ว่าเราพ้นไปจากวิญญาณทั้งหมดสามจำพวกวิญญาณของสัตว์มีรูปไม่ใช่วิญญาณของเรา วิญญาณของสัตว์ไม่มีรูปไม่ใช่วิญญาณของเราวิญญาณของเราที่มีความรู้ไม่ใช่ตัวของเราปล่อยวางไปตามสภาพนั่นแหละจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักขันห้าอายตนะทั้งหกนี่จึงจะพ้นไปจากโลกเปิดตาตามองเห็นไปได้ไกลเหมือนเปิดกำแพงหรือฝาบ้านเราสามารถที่จะมองไปได้ไกลหลายสิบวาเมื่อตาเราไม่ติดรูป เราก็สามารถที่จะเกิดตาทิศมองเห็นไกลหูไม่ติดเสียงฟังเสียงได้ไกลจมูกไม่ติดกลิ่นดมกลิ่นเทวดาไม่ต้องไปดมกลิ่นมนุษย์ให้มันรำคาญจมูกรสไม่ติดลิ้นกินยาทิศกินอาหารทิศใจไม่ติดสัมผัสเราก็อยู่ด้วยความสบายกายสบายจิตนั่งที่ไหนก็สบายหนาวก็สบายร้อนก็สบายนั่งที่อ่อน ก็สบายนั่งที่แข็งก็สบายร่างกายจะแตกก็สบายถูกแดดเผาก็สบายนี่คลายจากผัสสะดวงใจก็คลายจากอารมณ์นี่จิตนั้นก็พ้นดวงจิตก็จะพ้นไปจากขันทั้งห้าวิญญาณสามจำพวกก็จะไม่ได้มาหลอกลวงดวงใจของบุคคลผู้นั้นก็จะพ้นทุกข์จะถึงซึ่งบร ม, มสุขอันเลิศกล่าวคือพระนิพพานนี่ แสดงมาในเรื่องวิญญาณจงพากันสำเนียกศึกษาให้เกิดวิชาความรู้ขึ้นในตนของตนได้นี่จึงเรียกว่ารู้โลกวิญญาณที่เป็นรูปปรากฏเป็นกามโลกนับแต่นรกถึงสวรรค์วิญญาณที่ไม่มีรูปปรากฏเป็นอรูปปพพมวิญญาณของตนเองนั่นแหละคือถึงพระนิพพานเมื่อรู้วิญญาณสามประการนี้ก็ชื่อว่าวิชาจรณะสัมปัโนสุ ข, ขะโต ไปดีมาดีอยู่เย็นเป็นสุขสนุกสบายสัตว์ทั้งหลายมันก็เบาใจละสิทีนี้เบายังไงเราให้มันสัตว์ไหนที่มันต้องการกินกินเข้าไปไม่ต้องหวงแหนมันจะกินจะชอบอะไรกินเข้าไปเอามันจะกินแบบไหนช่างหัวมันว่าอย่างนั้นไม่ยึดมันชอบกินไส้กินเข้าไปมันชอบกินขี้กินเข้าไปมันชอบกินเลือด กินเข้าไปไม่หวงไม่แหนวิญญาณพวกไหนจะเอายังไงตามชอบใจมันก็เป็นเสรีภาพมันก็ปกครองพวกมันเองไม่ต้องแย่งกันมันก็พรอยจะได้รับความดีไปจากเราวิญญาณล้วนๆที่อยู่ในร่างกายเราเหมือนกันมันก็อยู่เป็นอิสระเราก็อยู่เป็นอิสระต่างคนต่างอยู่บ้านใครๆบ้านใครใค ร, ใค ร, ใครอยู่ข้าวใครใครกิน อู <IP> ใครใครนอนก็ต qui, qui ่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างสบายเท่านั้นเองแหละนี่เรียกว่าพคกขวาแยกรูปออกจากตาแยกตาออกจากรูปแยกวิญญาณออกจากตนแยกหูออกจากเสียงแยกเสียงออกจากหูแยกวิญญาณออกจากตนแยกกลิ่นออกจากจมูกแยกจมูกออกจากกลิ่นแยกวิญญาณออกจากตน แยกลิ้นออกจากรถแยกรถออกจากลิ้นแยกวิญญาณออกจากตนแยกกายออกจากผัสสะหรือสัมผัสแยกสัมผัสออกจากกายแยกวิญญาณออกจากกายแยกอารมณ์ออกจากจิตแยกจิตออกจากอารมณ์แยกวิญญาณออกจากจิตไม่ยึดถือว่านั้นเป็นตนนี้เป็นตนนั่นชื่อว่าสัเบธัมมาอนัตตาไม่ยึดสิทธ ในสิ่งทั้งหลายทั้งหมดคนนั้นก็จะพ้นไปจากโลกจากสงสารเป็นอาตวรคขยะยานเกิดขึ้นในดวงจิตฉะนั้นเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ฟังนี้ก็ควรจะนําไปพินิษพิจารณาโยนิโสมนาสีการใคร้ครวรให้เข้าใจแจม่มแจ้งเกิดขึ้นในตนก็จะเป็นหนทางพ้นไปจากทุกข์อาศัยความภาคความเพียรความหมั่นความขยัน มันเพียนอยู่เป็นนิดสำหรับที่จะต้องฟอกดวงจิตวิญญาณของตนให้ทราบชัดจึงจะเป็นไปเพื่อความผ่องใสสะอาดฉะนั้นในวันนี้ซึ่งได้แสดงเรื่องจิตวิญญาณมาก็จะยุติลงเสมอเพียงเท่านี้